สิขาบทวิพังห้าร้ที่ชื่อว่าใหม่พระองค์ตรัสมุ่งเอาการกระทําที่ชื่อว่าสันทัดได้แก่ผ้ารองนั่งที่หล่อไม่ใช่ทอคําว่าใช้ให้ทําแล้วคือทําเองหรือใช้ให้ทำแล้วคําว่าเพึงใช้สอยให้ได้หปีคือเพึงใช้สอยให้ได้6ปีเป็นอย่างน้อยคําว่าถ้าต่ากว่า6ปีคือย่อนกว่า6ปี คำว่าสละสันทัดนั้นคือให้แก่ผู้อื่นคำว่าไม่สละคื อ, อยังไม่ให้แก่ผู้อื่นคำว่าเว้นไว้แต่ภิกษุผู้ได้สมมุติคือยกเว้นภิกษุผู้ได้รับสมมุติภิกษุทําเองหรือใช้ทําสันทัดใหม่ต้องอาบัติทุกกฎเพราะพยายามสันทัดเป็นนิสสคีเพราะได้มาคือเป็นของจําต้องสละแก่สง์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงสละสันถัดที่เป็นนิสกีอย่างนี้